สิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดแกล้งพากายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสตราอันจะนำชีวิตเสียให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพนานาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคำว่าแนนายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายเสีย ด, ดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตใจมีจเจตดมรีอย่างนี้พันานาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นป ร, ราชิกอาจสังวาสไม่ได้กายแห่งมนุษย์นั้นประสงเอาตั้งแต่จิตแรกเกิดปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดาตลอดมาจนถึงกายเป็นที่ตายในระหว่างนี้จัดว่าเป็นกายมนุษย์ ราศีจากชีวิตนั้นถือตัดความเป็นให้ขาดทำความสืบต่อให้กำเริบด้วยประโยคอย่างใดอย่างหนึ่งมีนัยยะดังจะกล่าวต่อไปนี้ 1. ให้ประหารได้แก่ฟันด้วยสัตรามีดาเป็นต้นแทงด้วยหอกเป็นต้นและตีด้วยไม้พลองหรือด้วยไม้สั้นเป็นต้นสอง สัตว์ไปประหารได้แก่ยิงด้วยสอนหรือด้วยปืนเป็นต้นพุ่งด้วยหอกคว้างด้วยศิลาสาวางไว้ทำร้ายได้แก่วางขวากฝังลาวไว้ในหลุมพรางวางของหนักไว้ให้ตกทับวางยาตายและอื่นอื่นอีนอกสี่ ทำร้ายด้วยวิชาตัวอย่างในอั ธ, ธกถาเช่นภิกษุไร้มนอคมต่างๆใช้พูดใช้ผีเพื่อทำให้ผู้อื่นเจ็บตายตัวอย่างที่จะพึงเห็นในบัดนี้เช่นฆ่าด้วยกำลังไฟฟ้าซึ่งประกอบให้มีขึ้นด้วยอำนาจความรู้ห้าทำร้ายด้วยฤทธิ์ตัวอย่างในอั ธ, ธกถา เช่นภิกษุมีตาเป็นอาวุธดังกล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระยมและโกรธถลึงตาและดูผู้อื่นด้วยหมายจะให้ตายตัวอย่างในบัตินี้ยังหาไม่ได้ชัดแต่เพราะพิษงูก็เรียกว่าริศนาปล่อยสัตว์มีพิษเช่นงูให้กัดหรือปล่อยสัตว์ ร, ร้ายเช่นเสือให้กัดตลอดถึงเอาพิษของสัตว์ฉีดเข้าในเส้นโลหิตเพื่อให้ตาย จัดเข้าได้ในบทนี้กระมังทั้งไม่ซ้ำกับบท ก, ก่อนๆด้วยแปลกจากบทวางไว้ทาร้ายเพราะไม่ใช่ของประกอบขึ้นด้วยอำนาจความรู้ชยัยฤทธิ์คือกำลังอันมีอยู่โดยธรรมดาของสัตว์ไม่ใช่แต่เพียงจะทำเองใช้ผู้อื่นให้ทำประโยคเหล่านี้ก็ชื่อว่าพระชีวิตมนุษย์เหมือนกันเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้ จึงเป็นสันนติกาต้องเพราะใช้เขาด้วยอธิบายในบทนี้พึงเทียบเคียงกับนัยยะอันกล่าวแล้วในอธทินนาทานนั้นเถิดใช่แต่เท่านั้นภิกษุมีอำนาจเอาสัตราวุธหรือของอย่างอื่นส่งให้หรือวางไว้แก่มนุษย์ที่ตนปรารถนาจะให้ตายและบังคับให้เขาฆ่าตนเองหรือเห็นสหายมีทุกข์ร้อนเหลือแก้ หรือเจ็บหนักเสวยเวทนากล้าแข็งมีใจสงสารปรารถนาจะให้พ้นทุกพ้นร้อนและช่วยหาสตราเป็นต้นมาให้หรือไม่ทำเช่นนี้เป็นแต่พูดพรรณนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายคนนั้นหาสตราเป็นต้นเอาเองดังนี้ก็เหมือนกันพรรณนาหรือชักชวนนั้นใช้วาจาหรือทาด้วยกาย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 ดุจเดียวกับทาเองแต่เขาไม่ตายมนุษย์เป็นวัตถุแห่งปราชิกสัตว์ที่เรียกว่ า, ามนุษย์ต่างโดยเป็นยักษ์เป็นเปรตและสัตว์ิรชานที่ว่ามีฤทธิ์จำแลงกายเป็นมนุษย์ได้เป็นวัตถุแห่งทุนละใจสัตว์ิรชานทั่วไปตามทางนี้น่าจะเป็นวัตถุแห่งทุกกฎแต่มีสิกขาบทแผนหนึ่ง จึงเป็นวัตถุแห่งปาจิตตหลักลั่นอยู่ในลำดับนี้ถ้าถือเอามาติของข้าพเจ้าก็จะเห็นว่าลักลั่นไม่ภิกษุพยายามจะฆ่ามนุษย์ทำสำเร็จต้องประราชิกถ้าทำไม่สำเร็จเป็นแต่เพียงทำให้เจ็บตัวต้องถุงละใจทำไม่ถึงนั้นต้องทุกข์กด ภิกษุพยายามจะฆ่าตัวเองต้องทุกกฎภิกษุพยายามจะฆ่าสัตว์อื่นต้องอาบัตตามวัตถุอาบัตในบุพพโยคะหรือบุพพประโย ค, โยคเป็นทุกกฎอย่างเดียวสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะคือต้องจงใจจึงจะอาบัตเพราะเหตุนั้นไม่อาบัตแก่ภิกษุผู้ไม่แกล้ง